และถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกา ส, สเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในพระราชพิธีบรมาราชาพิเศษเบื้องปลายวันที่12ธันวาคมศกนี้พระราชพิธีบรมาราชาพิเศกพุทธศกราช2562ครั้งหนึ่งในชีวิตกับพระราชพิธีสาคัญยิ่งของคนไทย คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี FM 89.5 เม z ะ RMU TT Farm Shop ยิ น, ยนดีดต้อนรั บ, รบค่ะที่นี่ระวังจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร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 ในอิงลิ z โซนพร้อมให้บริการทุกวันอาคารเวลา12ดสนากาถึง13บสานกาที่ชั้น 3, สาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีจังหวัดปทุมธานีสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามเพิ่มเติมที่ 02-549-3653 เพื่อนเอ้ยรุ่นใหญ่อย่างพวกเราอาบน้ำร้อนมาหลาย10ปี อย่าไปยอมให้ใครมาหลอกง่ายๆพวกโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยน่าชื่นอกรมมานักต่อ น, นัดเตือนใจไวเก่าต้องรู้เท่าทันสื่อหยุดสักนิดคิดให้ดีถามข้อมูลให้ท่วนทีแล้วตัดสินใจดีๆว่าควรทำตามหรือไม่สนับสนุนรุ่นใหญ่ไวเพชรไม่เสพสื่อย่างสุ่มเสี่ยงโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยไมฮิดน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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ล, ลครันครนสนุกสราญเริ่มรมเขาเรามาชื่นชมฟันเทรงเรืองใจเหน็ดเหนื่อยการงานบ้านใดนําถึงไปไม่ควรเด็บ ม, มากังบนราชมงคลเรามารวมใจรื่นเริ่รกันให้สบายอุรา จะนำพาชีวิต เ, เราไม่เหงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุขเพิงชีวาเสียงเพลงัวราชาพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนพร้อมเรามารื่เร น, รนเริงสนุกสวรรคเริงรมเขาเรามาชื่นชมบันเทิงเรื่องใจ ในการงานปานใดน้าพิงไปไม่ควรเก็บ ม, มากังวลราชชมงคลเรามารวมใจเพลินเริงกันให้สบายอุราสุขก็จะนําพาชีวิตเราไม่เงาไม่เศร้าเดียวดายสนุกสุขเริงชื่อว่าเชีนไปครัวราชาพาเพลินใจกายพี่และน้องเพื่อนทองประมาเื่นเริง สวัสดีค่ะผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการที่รวบรวมเรื่องราวข่าวสาร9ราชมงคลกับที่นี่ RMT u ค่ะพมการกับดิฉันนริสาตรุกุลเง็กนะคะทุกวันจันทร์ช่วงเวลา 1.30 นาทีโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทันยบุรี FM 89.5MHz ค่ะสำหรับวันนี้มีหลากหลายข้อมูลข่าวสารเช่นเคยนะคะที่คัดนํามาเสนอกับคุณผู้ฟังทั้ง3ช่วงรายการค่ะเริ่มต้นกันช่วงแรกกับเปิดบ้านราชมงคล น, นั่นเองค่ะ สำหรับช่วงแรกกับเปิดบ้านราชมงคลนะคะวันนี้ไปกันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีค่ะลงนามความร่วมมือกับสถานศึกษาอีก60แห่งทั่วประเทศรับสิทธิ์โคตาเข้าศึกษาต่อค่ะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมอทรทัญบุรีนะคะนายวิรัตโหตระไวยสยะเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษาระดับมัธย ม, มศึกษาตอนปลายรวมถึงสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการและด้านการพัฒนานักศึกษาให้บุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญร่วม การพัฒนาระบบการเรียนการสอนค่ะการวัดและการประเมินผลสมรรถนะทางด้านวิชาการและวิชาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับสาขาวิชานั่นเองค่ะโดยได้มีโอกาสสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมทรธัญบุรบีซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมีโรงเรียนและวิทยาลัยต่างๆเข้าร่วมกว่า60แห่งด้วยกันค่ะ ทั้งนี้นะคะมหาวิทยาลัยได้จัดสรรโค้ตาให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยที่ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยด้วยโดยในปีการศึกษาที่ผ่านมานะคะมีโรงเรียนและวิทยาลัยได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยไปแล้วกว่า200แห่งด้วยกันค่ะนอกจากนี้เองนะคะยังได้เปิดโอกาสให้กับโรงเรียนและวิทยาลัยที่ประสงค์จะร่วมลงนามความร่วมมือ ทางด้านวิชาการกับมรทรธัญบุรีนะคะติดต่อได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมทรธัญบุรีค่ะ02 549 3613-5 น้36นั่นเองคะ่ะยังคงอยู่กับเรื่องราวของราชมงคลทัญบุรีนะคะร่วมกับหัวเทคจัดตั้งสถาบันจริงชื่อคะ่ะเป็นห้องปฏิบัติการพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G นั่นเองคะ่ะ รักษารษาชการแทนอนธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมทรทัญบุรีนะคะนายวิรัตโหตระไวยสยะเปิดเผยว่าทางมทรธัญบุรีได้ลงนามความร่วมมือนะคะกับบริษัทปักกิ่งหัวเทคจริงชื่อ Information นเทคโนโลยีจำกัดหรือหัวเทคค่ะสาธรารณรัฐประชาชนจีนเพื่อร่วมกันจัดตั้งห้องปฏิบัติการระหว่งางคณะวิศวกรรมศาสตร์กับหัวเทคในการสร้างทรัพยากรและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนบุคลากรโดยส่งเสริมให้อาจารย์ทำความร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยี 5G ระดับโลกค่ะโดยเฉพาะการก่อตั้งสถาบันจริงชื่อที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรธัญบุรีซึ่งจะเปิดเป็นห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยเพื่อรองรับเทคโนโลยี 5G Optical Communication Internet of Things หรือ IoT และเทคโนโลยี ICT ขั้นสูงในอนาคตค่ะ โดยทางหัวเทคนะคะจะสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆมูลค่ากว่า125ล้านบาทเพื่อให้ใช้ในการผลิตกำลังคนที่มีศักยภาพระดับสูงทางด้านวิศวะกรรมและเทคโนโลยีอีกด้วยค่ะ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิวกรอ่างทองคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้บอกเพิ่มเติมนะคะว่าคาดว่าสถาบันจริงชื่อจะสามารถเปิดให้บริการเป็นทางการได้ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะและพร้อมกับให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะคะภายใต้การควบคุมคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญจากจีนด้วยค่ะที่จะมาให้คําแนะนําร่วมพัฒนาหลักสูตรและร่วมกันศึกษาวิจัยรวมถึงใช้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนากําลังคนในกลุ่มประเทศ CLMV ที่ ประกอบด้วยกัมพูชาลาวเมียนมาและเวียดนามค่ะสถาบันจริงชื่อนะคะจะเป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาในการสร้างกําลังคนให้มีทักษะและมีความสามารถที่ทันต่อสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเทคโนโลยี 5G นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักัสักครู่ดีกว่าค่ะช่วงหน้าติดตามรอบรู้9้าวราชมงคลกันค่ะกว่า4ทศวรรษที่เราทํางานเคียงข้างเพื่อสังคมสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆ ผมพาะบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพผู้เป็นกำลังสำคัญของชาติก้าวต่อไปสู่การเป็นฟันฟืงหลักของประเทศ RMU TT Moving Towards Innovative University RMU TT Farm Shop ยินดีต้อนรับค่ะ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 ติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร02 592 1999มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีขอเชิญชวนนักศึกษาบุคลากรและผู้ที่สนใจ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 สอบถามเพิ่มเติมที่0 2 5ย์สองห้เข้าสู่ช่วงนี้กับรอบรู้9ราชมงคลนะคะเริ่มกันนะคะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินเน้นสร้างความร่วมมือทางด้านระบบรางค่ะตอบโจทย์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย10ด้านด้วยกันค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์วิโรธดิมไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมทรอีสานได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินเมื่อวันที่11พฤศจิกา ย, ยน2562ซึ่งเดินทางมาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านระบบราง ซึ่งความร่วมมือระหว่างมทรอีสานและมรทิวัดราชนครินครั้งนี้จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนอง ค, ความรู้ด้านการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางรางโดยจะมีการสร้างเครือข่ายกิจกรรมนักศึกษาและบุคลากรระหว่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากมทรอีสานได้มีการจัดทำหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากลทั้งหลักสูตรระดับปวสปริญญาตรีพร้อมทั้งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ครบครันในการพัฒนาบันดตเพื่อตอบโจทย์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายสิบด้าน ด้านมหาวิทยาลัยนาราธิวัฒราชนครินเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศเป็นพื้นที่พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาลการทำความร่วมมือทางวิชาการในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีซึ่งจะได้เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนทางภาคใต้ในการเรียนการสอนทางด้านระบบขนส่งทางรางเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านระบบขนส่งทางรางให้พร้อมรองรับการเจริญเติบโตของประเทศต่อไป วราพรนามบุตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มทรอีสานรายงานขึ้นเหนือกันบ้างนะคะไปกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานะคะนำไฟฟ้าระบบพลังงานผสมลงพื้นที่ชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตค่ะคณาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เดินทางลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านเละกราและชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยตำบลแม่ตื่นอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตั้งตรวจเช็คโรงไฟฟ้าของชุมชนระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน2562 อาจารย์ศรีธรอุปคำหัวหน้าสาขาวิศวกรรมเครื่องกลเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะได้เข้าไปติดตั้งอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ในโรงผลิตไฟฟ้าระบบพลังงานผสมระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำให้มีการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยทางมทรล้านนาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเป็นประจาทุกปี ซึ่งในครั้งนี้ได้ให้นักศึกษานําความรู้จากห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงด้วยการลงมือปฏิบัติซ่อมบํารุงระบบการจ่ายน้ําเข้าโรงผลิตไฟฟ้ารวมถึงระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในชุมชนที่มีการชํารุดเสียหายตามอายุการใช้งานอีกทั้งยังติดตั้งเครื่องสีข้าวขนาดเล็กให้ชุมชนควบคู่กับการให้คําแนะนําแก่คณะครูผู้นําชุมชนในการบํารุงรักษาการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับโรงผลิตไฟฟ้าทั้งระบบด้วย ทั้งนี้ระบบการผลิตไฟฟ้าแบบผสมที่ติดตั้งอยู่ภายในชุมชนบ้านเลาะกระและชุมชนบ้านขุนตื่นน้อยเป็นผลงานการต่อยอดงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้งานได้จริงและตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนที่เป็นพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบไฟฟ้าแบบผสมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มทรล้านนาโทร053921444ต่อ2215ทริติธนรัตนพิมลกุลวิทยุราชมงคลล้านนารายงานทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนะคะร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่9ค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์จำนงแก้วเพชรคณะบดีคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพนำทีมอาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ร่วมงานมหากรรมแสดงสินค้ามาตรฐานไทยและจีนส่งออกครั้งที่9หรือ ACIEC 2019ระหว่างวันที่ 8-10 ถึงพฤศจิกายน2 5ง2 น้าอิมเพกเมืองทองทานีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยจีนการจัดกิจกรรมเจราจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการตลอดจนการจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยทิศรังแสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทโคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงาน จิตอาสาอุเทนถวายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกนะคะเป็นสักขีพยานและถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีในพิธีการส่งมอบบ้านพัก60หลังณจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เชิญผู้บริหารคณาจารย์ตัวแทนสิทธิเก่าและตัวแทนสิทธิปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายให้ไปร่วมเป็นสักขีพยานในการมอบบ้านและร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาในโอกาสที่ท่านเดินทางมามอบบ้านให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบจากการปลูกบ้านรุกแม่น้ำแควใหญ่เมื่อ วันจันทร์ที่11พฤศจิกายน2562เวลา16นาฬิกาบ้านพักจำนวน60หลังนี้ปลูกสร้างบริเวณที่สาธารณลินช้างอำเภอเมืองกาญจนบุรีซึ่งจังหวัดได้รับงบประมาณเฉพาะค่าวัสดุไม่มีค่าแรงงาน ดังนั้นทางกลุ่มศิตธิ์เก่าอุเทนถวายและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายจึงได้ประสานไปที่จังหวัดกาญจน บ, บุรีนำนักศึกษาจิตอาสามาช่วยสร้างบ้านในโครงการจำนวนหนึ่งเฟสสิบหลังร่วมกับจิตอาสากลุ่มต่างๆจนการก่อสร้างบ้านพักทั้งหมดจำนวนหกสิบหลังแล้วเสร็จรล่วงไปด้วยดี ในการนี้ทางจังหวัดได้ให้เกียรติจิตอาสาอุเทนถวายโดยการติดป้ายชื่ออุเทนถวายไว้ที่บ้านพักที่จิตอาสาอุเทนถวายร่วมใจกันสร้างและได้อนุญาตให้ตั้งชื่อถนนหน้าบ้านพักว่าถนนอุเทนถวายเพื่อเป็นที่ะระลึก ถ, ถึงความเสียสละและอุทิศตนของจิตอาสาอุเทนถวายสืบไปงานประชาสัมพันธ์วิทศเขตอุเทนถวายรายงาน ปิดท้ายกับกิจกรรมงดรับงดให้งดใช้ถุงพลาสติกจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะจัดกิจกรรมสัปดาห์ละ1วันค่ะตั้งเป้าหมายมหาวิทยาลัยปลอดถุงพลาสติกค่ะรองศาสตราจารย์สุภัทราโกศัยการนนทรักษา ร, ราชการแทนอธิการบดรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาปริมาณขยะพลาสติกจํานวนมากซึ่งทําให้เกิดการคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ภาครัฐได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก4ประเภทภายในปีพศ2565ประกอบด้วยพลาสติกหูหิว้วกล่องโฟงมบรรจุอาหารหลอดพลาสติกและแก้วพลสสาสติกจัดนโยบายดังกล่าวทำให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมจึงมีการจัด ก, กิจกรรมงดรับงดให้งดใช้ถุงพลาสติกสัปดาห์ละ1วัน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการเลิกเพื่อรักที่มีมาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกวันพุธผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษางดการใช้โฟมและพลาสติกทุกประเภทพร้อมรณรงค์ให้ใช้ถุงพาดแทนถุงพลาสติกและเชิญชวนให้นำภาชนะส่วนตัวมาใช้ใส่อาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้ารวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานและกลุ่มนักศึกษาที่จะกิจกรรมต่าง งดใช้ภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องดื่มที่ผลิตจากโฟมและพลาสติกเพื่อช่วยการลดมลพิษภายในมหาวิทยาลัยนันทนาสีมาวิทยุราชมงคลพรยนครรายงานคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามข่าวสารงานวิจัยกับช่วงสุดท้ายค่ะกว่าสี่ทศวรรษที่เราทำงานเคียงข้างเพื่อสังคมสร้างสรรค์พัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมใหม่ๆบ่มเพาะบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ เป็นก้าว ต, ต่อไปสู่การเป็นฟันเฟืองหลักของประเทศ RMU TT Moving Towards Innovative University เรียนดีดกิจกรรมเด่นเน้นคุณธรรมมีดีขนาดนี้แต่ไม่รู้ไปโชว์ที่ไหนไม่ยากเลยมาโชว์ผลงานกับเราสิคะราชมงคลพระนครเปิดรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นเด็กดีเพื่อสังคมไทยปีซี่ชิงถ้วยนายก ร, รัฐมนตรีและทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาทสมัครแม้แล้ววันนี้ถึง13าธันวาคม2562สอบถามข้อมูลได้ที่เฟซบุ o กแฟนเพจกู๊ดฮิสเออร์ดหรือโทรศู6 6 5 3 7 7 7 แล้วพบกันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMU TT Farm Shop ยินดีดต้อนรับค่ะ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 ข้าสู่ช่วงนี้กับข่าวสารงานวิจัยนะคะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารงานวิจัยในวันนี้นําเสนอความร่วมมือนะคะระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีหรือมทรธัญบุรีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีค่ะในการพัฒนาเส้นใหญ่กล้วยสู่ผืนผ้าสร้างอัตลักษณ์เมืองปทุมธานีอีกด้วยค่ะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะนายพินิษ์บุญเลิศค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาเส้นใหญ่กล้วย เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งท่ทอ จังหวัดปทุมธานีภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ตำแนวพระราชดำริและหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายพงเทพรุ่งเรืองค่ะพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีนางชมายพรขวัญทองพาณิจจังหวัดปทุมธานีนายวัยพจน์เอี่ยมสะอาดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชงอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโล ย, ยีราชมงคลธัญบุรีและกลุ่มแม่บ้านแสงตะวันตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีค่ะให้การต้อนรับที่อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพวัดไก่เตี้ย จังหวัดปทุมธานีค่ะโดยจังหวัดปทุมธานีนะคะเป็นพื้นที่ปลูกกล้วยมามากกว่าสามพันไร่ค่ะซึ่งรายได้นะคะแก่เกษตรก ร, ร, กรในพื้นที่ต้นกล้วยหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะเกษตรก ร, ร, ก, รก็จะตัดทิ้งเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกในรอบใหม่โดยมีปริมาณมากกว่า3 0,000 ่นต้นต่อปีค่ะ เป็นเพียงแค่ปุ๋ยบนดินซึ่งหากมีการนําวัสดุเหลือทิ้งในส่วนของกากและก้านใบของกล้วยนะคะนํามาแยกสกัดเป็นเส้นใหญ่น่าจะเป็นประโยชน์สิ่งทอจากใยกล้วยเป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดให้แต่แจังหวัดนะคะจัดทําโครงการขึ้นโดยน้อมนําแนวพระราชดําริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาชุมชนค่ะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในส่วนของจังหวัดปฐุมธานีนะคะมีความสนใจที่จะพัฒนาเส้นใยจากธรรมชาติจึงเลือกกล้วยค่ะซึ่ง เป็นพืชเศรษฐกิจของประทุมธานีและหาได้ไม่ยากในท้องถิน่นเนื่องจากมหาวิทยาลัยนะคะได้มีการพรัฒนา เส้นใยจากกล้วยอยู่ก่อนเดิมแล้วค่ะประกอบกาฐปรทุมธานีเป็นแหล่งผลิตและปลูกกล้วยจํานวนมากจึงได้พัฒนาเส้นใยกล้วยค่ะนํามาเป็นผ้าของม้าและชุดแต่งกายเพื่อพัฒนาเป็นผ้าประจําจังหวัดปทุมธานีโดยเริ่มต้นจากกลุ่มแม่บ้านกระเช้าค่ะที่มีความสนใจและมีภูมิปัญญาทางด้านฝีมือด้านการผลิตผ้าสิ่งทอเป็นเดิมอยู่แล้วค่ะจึงมีความร่วมมือกันนะคะจะทําผ้าจากเส้นใยกล้วยให้เกิดขึ้นที่นี่ค่ะภายใต้โครงการการพัฒนาระบบการจัดการ เชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัต ก, กรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภั ณ, ภณฑ์จังหวัดนั่นเองค่ะด้านนายพงเทพรุ่งเรืองค่ะพัฒนาการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าสาขาวิชาสิ่งทอนและเครื่องนุ่งหม่มคณะเทคโนโลยีคหากราชรศาสต ร, ร์มทรธานยบุรีได้นําทีมวิทยากร น, นะคะมาให้ความรู้กับชาวบ้านทาั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติทําอย่างไรให้ผ้า อ, ออกมามีคุณภาพที่ดีประกอบด้วย4หลักสูตรด้วยกันจะได้แก่หลักสูตรที่1ค่ะการ เส้นใหญ่กล้วยหลักสูตรที่2นะคะการปั่นเส้นได้ด้วยใหญ่กล้วยค่ะหลักสูตรที่3การทอผ้าใหญ่กล้วยและหลักสูตรที่4การเย็บผลิตลายผ้าและการย้อมค่ะพร้อมที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายจากเส้นใหญ่กล้วยค่ะให้เป็นสินค้าประจําของจังหวัดปทุมธานีต่อไปในอนาคตอีกด้วยค่ะเส้นใหญ่กล้วยมีคุณสมบัติเด่นนะคะด้านความแข็งแรงและเงามันค่ะ อีกทั้งยังสามารถนํามาต่อยอดทอเป็นผืนผ้าแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ H ่งทอถือเป็นการลดวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกล้วยนั่นเองค่ะแล้วก็สร้างมูลค่าทางด้านการพัฒนาเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอให้กับเกษตรกรลดการนําเข้าเส้นใยธรรมชาติจากต่างประเทศนะคะอีกทั้งยังช่วยเพิ่มทางเลือกการใช้ผ้าเส้นใยกล้วยซึ่งเป็นแนวโน้มในการผลิตเสื้อผ้าอีโคฟิลลี่อีกด้วยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองอย่างเช่นเสื้อผ้ากระเป๋าถือ หมวกแล้วก็รองเท้าเนี่ยสามารถเป็นประโยชน์มากๆค่ะสำหรับภาคอุตสาหกรรมสิ่งทออุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอค่ะจึงนำงานวิจัยนํามาถ่ายทอดแล้วก็ต่อ ย, ยอดให้กับเกษต ร, รกรเพื่อสร้างไรายได้และสร้างความเป็นอัตลักษณ์ผ้าจากเส้นใหญ่กล้วยของจังหวัดปทุมธานีนั่นเองค่ะ โครงการพัฒนาเส้นใหญ่กล้วยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายและเคหะสิ่งทอเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกลุ่มทางการเกษตรนําวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่มาแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนหรือมาแปรรูปนะคะเป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นซึ่งอาจจะต่อยอดเป็นสินค้ามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปสร้างไรายได้ในอนาคตส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ สร้างมูลค่าเพิ่มจากต้นกล้วยนะคะพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานีต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังทั้งหมดนี้คือสาระข้อมูลข่าวสารต่างๆรอบรัวราชมงคล น, นั่นเองค่ะติดตามรายการที่นี่ R M U T ได้ใหม่ในครล้งหน้านะคะกับดิชันดาริสาตะกุลเง็กสาหรับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ สวีทฟมปดกหาวิทยุราชมงคลทัญบุรีรับฟังออนไลน์ที่ทาง www.radio.rmutt.ac.th โทร02 691 773 8กึง